ถึงหญิงมีคันที่จริงสูตรนี้เนี่ยไม่น่าไม่น่าจะตั้งชื่อว่าทุกข์ของหญิงมีคันอ่ะนะต้องบอกว่าทุกข์ของสามีของหญิงผู้มีคันเหมนนท่จริงสูตรเนี่ยมันทุกข์ของสามีนะไม่ใช่ทุกข์ของหญิงมีคันอะไรหรอกทุกข์ของผัวเนี่ยนะที่มีเมียนแล้วตัวเองก็โจรจนอ่ะนะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี สมัยนั่นแหลนางมานวิกาสาวภริยาของปริพาชกคนหนึ่งมีคันใกล้เวลาคลอดแล้วท้องแก่เต็มทีครั้งนั้นแหลนางปริพาชิกานั้นได้กล่าวกับปริพาชกว่าท่านพรา์ท่านจงไปนำน้ำมันซึ่งจกเป็นอุปการะสำหรับดิฉันผู้คลอดแล้วมาเถิดแค่ว่าเตรียมคลอดอะนะก็พยายามจะเตรียมตัวคลอดเต็มที่ก็บอกสามีไป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 ก็ราชบุรุษให้เนยใสยบ้างน้ำมันบ้างในพระคลังของพระเจ้าประเสนที่โกศธนแก่สมณะบ้างพราหม์บ้างเพื่อเดิมพอความต้องการไม่ให้เพื่อนนาออกไปฉะนั้นเนาแผนเกิดขึ้นมาได้เลยคิดแผนออกแล้ววางั้นเราพึงไปยังพระคลังของพระเจ้าปเสนที่โกศธนดื่มน้ํามันพอแก่ความต้องการแล้วก็กลับมาเรือนอาเจียนออกมาสํารอกก็คืออาเจียนน้ํามันซึ่งเป็นอุปการณ์แก่นางปริภาชิกาผู้คลอดนี้เถิดจะเอาน้ํามันที่อาเจียนนี่แหละมาใช้งานได้ละ ครั้งนั้นแลปริพาชกนั้นไปยังคลังของพระเจ้าประเสริที่โกศลเดิมน้ํามันพอความต้องการเนี่ยเดิมอัดเต็มที่เลยนะไม่ใช่เด่มปั๊บซี่ที่ไหนใช่ไหมแ ป, ป๊บเดียวมก็หมดละอันนี้มันน้ํามันเนี่ยนะพออุดพออมเต็มที่มันกลับมาถึงเรือนไม่สามารถจะไว้เบื้องต่ําก็คือสรุปว่าอาเจียนก็อาเจียนไม่ออกถ่ายก็ถ่ายไม่ได้พระอืดพระ อ, อมอยู่นั่นแหละ ประิพาชคนั้นอันทุกขเวทนาอันกลา้าเผ็ดร้อนถูกต้องแล้วย่อมหมุนไปหมุนมาโดยรอบนั้นสมัยนั้นคงไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้อะไรได้เนี่ยนะก็ดื่มน้ํามันเต็มที่อะคิดดูตงแต่ดื่มเป็นลิตรมั้งเนี่ยดื่มน้ํามันนะถ้าน้ำมันพืชเนี่ยหรือเนยใสเนี่ยนะไม่ย่อยอ่ะพอไม่ย่อยทายก็ไม่ได้อาเจียนก็ไม่ได้มันก็พราะอื่นพราะอมได้แต่นอนหมุนตัวไปนั่นแหละครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ้าอันตราวาสศกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปวินธบาอย่างพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกนั้นผู้อันทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนถูกต้องละมุนไปหมุนมาอยู่โดยรอบแสดงมันนอนกลิ้งอยู่นั่นน่ะนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากนะพอลืมตาองเห็นปั๊บพระองค์รู้หมดอยู่แล้วว่าไปยังไงมายังไงทราบเรื่องนั้นนะ่ะอย่างทะลุโปร่ปรงแบบไม่ต้องถามเลยแหละ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 ก็คนที่หมดความกังวล น, นี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่คนที่ยังกังวลแหะก็เดือดร้อนมากก็น่าน่าสงสารเหมือนกันนะไปดื่มน้ำมันมัซะจนคือสามีภรยาคู่นี้เนี่ยเป็นนัก บ, บวช ด, ด้วยเนี่ยนะเป็นนัก บ, บวชแต่ก็มีคู่ครองมันก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่นี้ก็อย่างว่าก็มีลูกด้วยนะมันก็ต้องมีข้าวของของผู้ครองเรือนก็เลยเดือดร้อนมากมาดูคำอธิบายในคาถาดีกว่านะนเป็นนอนดิ้นทัดพลาดน่นนก็ไม่ต้องพูดแล้วในหน้า196ย่อหน้าว่าเอตมดถังวิทิตวาความว่าครั้นทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าความทุกข์อันนี้เหตุเพราะบริโภคโดยไม่ปัจเวก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 ตอบว่าพวกที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลที่ชื่อว่าอากินจนะอกินจนโนในผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลด้วยราคะไม่กังวลด้วยโทสะไม่กังวลด้วยโมหะเป็นต้นและไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหนไม่มีอย่างพระพระพระอรหันเนี่ยนะไม่มีสิ่งใดที่ท่านหวงแหนแม้แต่นิดเดียวนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าเวทคุโนเิชนาอากินจนา ชนพูดถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไอู้้ถึงเวทนี่แค่ไหนเวทะตัวนั้นคือความรู้นะบุคคลผู้ชื่อว่าเวทคูคือผู้บรรลุถึงเวทคือบรรลุอริยมรรคยานอริยมรรคยานทั้งสีม่มรรคโสดาปติมรรคสกาธาคา ม, มครรคอนาคา ม, มครรคและอรหัตตมรรคท่านเหล่านั้นอะ่ะถึงบรรลุถึงท่านนิพพานด้วยอริยมรรคนั้นด้วยเวทนั้น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 แต่นี่ก็อย่างว่านะถ้าพูดแบบสมัยใหม่อา้าวก็คนมีลูกมันก็ต้องกังวลมัง้งไหนๆก็หวงแหนแต่ก็ดูพระสังขามาชี้สิใช่ไหมอุ้มลูกมาอุ้มมาอย่าง น, นี้อุ้มกลับเอาก็อุ้มกลับสิเพแค่นั้นเนอะแต่พระอรหันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระอรหันนี่เดือดร้อนแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะสูตรนสันเสริญบุคคลผู้เป็นพระอรหันในขณะเดียวกันอย่างนี้แล้วก็ติเตียนอันท่าปูตุชน การแสดงถึงผ้ารหันนี้เป็นวัดวิวัตตะพูดถึงปุทุชนนั้นเป็นลักษณะของวัตตะผู้ที่ติดข้องในวัตตะก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้ว น, น, นะคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลก็เดือดร้อนที่จริงเนี่ยต้นเหตุของทั้งหมดเลยเพราะไอตัวกังวลคือราคะตัวกังวลคือโทสะตัวกังวลคือโมหะนั่นแหละคือตัวตัวแก่นแท้ที่จะต้องกาจัดจริงๆอ่ะ น, นะ ตัวแก่แท้ที่จะต้องตัดจริงๆเนี่ยคือตัวราคะโทสะและโมหะเมื่อใดเนาะทาบุญแนละตั้งตัวเป็นศัตรูกแก่ราคะโทสะโมหะเลยแหละนั่นแหละเรียกว่าเข้าเป้าแล้วนะแต่ถ้ายังให้ค่ามันอยู่ก็ทุกข์อีกนะเนี่ยนะทุกข์มาก